ท่านสาธุรณบริษัททั้งหลายในตอนนี้ก็ยังให้ชี่ยวว่ากรรมสรุปกรรมคลายต่อหมายความว่าเรื่องกรรมของควายยังไม่จบเป็นอนุนวาพราะอาศัยที่พระท่านมาหาคือเรื่องการเลี้ยงปลาเพราะว่าไิญาติโยงของท่านอยู่ทางสายใต้ขุดบ่อเลี้ยงปลา ท่านถามว่าทํำยังไงปลาจึงจะอ้วนสมบูรณ์ดีปลาจึงจะไม่มีโรคไข้รดคาท่านเห็นรู้ว่าอาการนี้เป็นเรื่องของบาปก็เลยไม่ยอมหาหรือ ด, ด้วยแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ฉันที่รู้ว่าบาปผมไม่คิดไม่เที่ยงนั้นเป็นการรักษากําลังใจกันก็ตอบกับท่านว่าผมไม่มีความรู้เรื่องนี้ครับ เพียงแค่กระทบนิดเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ยังนำลงมาในขุมนรกแต่ลงทางไม่ทันจะถึงไปหน่อยเดียวก็ขับตัวไปไม่ได้เรื่องเศษของกรรมในบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อเป็นกรรมที่เราไม่ได้ทําแต่ว่าคนอื่นเขาจะให้ทํา เราก็ยับยังเราไม่ทำตามเขาแต่กรรมนี่มันก็พาโง่เหมือนกันมันก็พาเดือดร้อนยังมันจะเล่าความย้อนหลังให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเมื่อปีพศ .2508 ว่าตั้งแต่พศ .2503 เป็นต้นมาออกมาจากกรุงเทพหลังจากเข้าป่า ก็เบื่อความวุ่นวายของคนเบื่อความวุ่นวายของพระความจริงคนและพระเขาไม่ได้วุ่นวายแต่ใจเรามันวุ่นไวายไปเองตามปกติของชาวโลกเขาก็เป็นอย่างนั้นเวลานั้นจิตยังชั่วอยู่เห็นว่าคนนี้มีความวุ่นวายมากและพระที่บวชเข้ามาก็มีความวุ่นวายมากที่คิดอย่างนี้จิตชั่วเพราะไม่ยอมรับความจริงอยากจะหลีกความวุ่นวายออกจากเมือง ถ้าอยาเข้าป่าก็เดินท้าออต่างจงังหวัดไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งไม่ขอบอกเวลานั้นก็ปรายกฏว่ามีท่านสุภาพสต ร, รีมากอายุอตมาเองก็เวลานั้นก็สี่สิบปีเสร็จแล้วแก่แล้ว <c oughs> ในเกงแก่คนหนึ่งก็เห็นว่าแก่แล้วไม่เห็นก็ไม่สราบแต่ว่าตัวเองเห็นว่าแก่ ตัวเองเห็นตัวว่าแก่มาตั้งแต่อายุสามสิบปีเมื่อถึงอายุสามสิบปีก็ตัดเกอนการแต่งงานคิดว่าถ้าเราจะแต่งงานเราคนจะแต่งมาก่อนถ้ามาแต่งกับตอนช่วงสามสิบปีไปแล้วไม่แก่เกินไปธรรมะกินไม่ทันลูกมันจะโตก็ตายก็ลเลยมีคิดอารมณ์ตัดความแต่งงานตั้งแต่บัตรนั่นไปจนมาคือไม่สนใจเรื่องนี้ ใครจะไปยังไงจะมายังไงก็ช่างเถอะแต่ว่าเวลา น, นั้นก็ดีรู้สึกว่ามีคนเขาก็ไม่ได้สนใจนักหรือว่าเขาจะสนใจก็ไม่ทราบอาจจะมาไม่ได้สนใจกับเขามาตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยสามถึงพศสองันห้าร้อยแปดนี่มีคนทุนกระดับชั้นไปไปม า, มาบางคนก็ถามว่าจะศึกไหม ถามว่าจะศึกจะทำอะไรจะแต่งงานด้ยหรือเขาบอกว่าใช่ที่ถามอย่างนี้บางคนก็เด็กเกินไปยังเรียนหนังสือชันอ 2, อ 3, ้นมสองมสามเธอก็ถามหม 5, หม้าโมกเธอเขาถามนี่คนที่คนแยกการเรียนแล้วก็ถามตั้งคนต่างถามกันเยอะแต่ ว, ว่านั่งคิดในใจว่าคนพวกนี้ทำไมไม่มองดูคน เราเป็นคนปแก่ขนาดนี้แล้วทำไมจะมาสนใจกับเรานี่เป็นการหนึ่งพระที่ต้องศึกษาเรื่องนี้มีมากแต่ศึกไปแล้วก็ผิดหวังคําว่าผิดหวังหมายความว่าอาจจะไม่ผิดหวังจากบุคคลคนนั้นแต่ผิดหวังจากความสุขเป็นความทุกข์ที่เธอตัดสินใจศึกไปแต่งงานมันก็พบแต่ความทุกข์มากขึ้นแทนที่เป็นความสุข บางคนที่มีปัญญาหน่อยเคยจดหมายมาบอกบ้างมาบอกตัวตัวเองบ้างว่าวคารวาสูบแฝลผู้ครองเลยคือคารวาสคารวาสแฝงผู้ครองเลยมันทุกข์หนักจริงๆมันมีทุกข์มากก็ศึกษาเรื่องทุกข์มาเมื่อประสบกับความทุกข์ของเพื่อนจริงจังแบบนี้ก็ยอมรับแลถือว่าเป็นความจริงฉะนั้นเมื่อใครเขาจะไปใครเขาจะมาก็ไม่สนใจ ใครใครจะพูดอะไรก็าตามแลว้วก็เฉยถือว่าเราเป็นพระพระพูดกับคนคนพูดกับพระเขาจะพูดแบบไหนเป็นเรื่องของเขาดูตัวอย่างภาษาดิบุตรจำเรื่องราวของภาษารีบบทท่านได้ที่ท่านเดินทางมาแล้วก็ติดตกค่ำระหว่างทางก็มีหญิงงามเมืองท่านหนึ่งพาไปพักที่บ้านคนเมจริงอาจจะไม่ใช่หญิงงามเมืองนะอาจจะเป็นสิทธี อาจจะเป็นหญิงเสด็จีท่านหนึ่งเป็นไม่หรือเปล่าก็ไม่ทราบให้ไปพักที่บ้านแตคืนนั้นท่านปแสดงอาการต่างๆทุกอย่างว่าท่านตองกายจะเป็นพัญญาของว่าสารีบุตรเวลานั้นพระเพิ่งเกิดใหม่ๆเขาไม่จกักเขาไม่เป็นพระพระสารีบุตรท่านก็เฉยในสุดท่านก็กลับเช้าท่านก็กลับกิ้งข้าแล้วก็กลับไปต่อมาก็มีท่านหนึ่งท่านสุนทรสมุทร ของนี้เป็นพระาหารที่มีความพิพเศษมานดาพลายหญิงภ้าสยาเขาโทษหญิงงามเมืองธรมาพระหวังจะลอยทางศึกเพราะว่ามันดาเป็นไม่บิดามานดาเป็นมหาเศรษฐีมีลูกชายคนเดียวต้องการใ้เคราสมบัติขึ้นไปอยู่ประาทเจ็ดชั้นหญิงก็นั้นกับพดงลีลาว่าหญิงที่มีความรักชายพระดงการเกี่ยวชายมีสีอย่าง เธอก็แสดงทุกอย่างเธอก็บอกว่าถ้าหญิงทําอย่างนี้แสดงว่าหญิงคนนั้นต้องการชายคนนี้มาเป็นสามีแต่ว่าเธอก็บอกด้วยแสดงด้วยบอกด้วยแสดงด้วยท่านสุนทาสมุดเวลานั้นยังเป็นปุถุชนยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันก็พิจารณาไปทัอาการของหญิงคนนั้นแล้วทราบความต้องการของหญิงคนนั้นก็เกิดธรรมสังเวก คิดว่าอารมณ์เป็นทุกข์ของคนเกิดขึ้นเพื่อการอย่างนี้แปลงการเรื่องความทุกข์เมื่ออยู่ตัวคนเดียวมันก็เป็นทุกข์ให้การแก่เป็นทุกข์การป่วยไข้มาสบายเป็นทุกข์อารารตาถน้ำไม่ค่อยจสมหวังเป็นทุกข์ความพัฒนาจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์แต่หญิงคนนี้ไม่ได้คิดเรื่องความทุกข์ที่จะประกอบกิจการงานเพื่อตน ความทุกข <Mü> si, um ์เข้ามาข้ามข้าบแบบนี้อย um ่าหาทุกต่อเธอพิจารณาเรื่องทุกต่อไปใที่สุดท่านสุนทรภัยก็ตัดสมุทตายิงเลยพรอสมุทรเตริญเป็นพระรัตนไปกรอบไปเรื่องพิญญาไปสมิธายานเหาะทางนั่นส่วนไปจำประวัตของท่านนางสองนี้ได้แต่มาไม่ใช่ท่านนางสองภาษาที่บทท่านเปรย์พระอรหันต์ไม่อาฆาสาวกไม่มีวุญญาณที่การมาก อาตมาไม่ท่าทันเมื่อหญิงคนนั้นแสดง อ, อมาภาษาที่บทเขาทำงงไม่ทราบเขาพูดยังไงมาก็าไม่รู้เรื่อง ท, ทํำเฉยๆวางพัวในพระเขาก็ไม่กล้าเข้ามาปล้ำพระอาตมาโดยคิดว่าภาษาที่บรท่านทำอย่างนี้แล้วก็ทําบ้างจะเป็นไรไปแล้วก็ต่อมาเรื่องของท่านสุนทรสมุทรมั่นเขาแสดงชัดแสดงออกเลย ว่าเขาต้องการท่านเป็นสามีเขาแสดงใ้ทราบว่าทุกอย่างที่ผู้หญิงต้องการใหะผู้ชายเป็นสามีเขาเขาแสดงาการยังไงเขาก็แสดงมาแล้วอธิบายอาการอย่างนี้ก็ใช่าอาารนี้ก็ใช่ท่านมองมามองไปมองธรรมาสังเวกจตมามีกำลังใจไม่ถึงพระสนทรสมรุทรกันได้แต่เขา้าจุดวางเฉยคิดว่าเราเป็นพระเขาเป็นพระ ภาวนาไว้อย่างดีเพราะเราเป็นพระไม่ควรเราเป็นไม่คว <c oughs> รก็โดนความเา็คนทุกประเภทคล้ายๆกับษษษษพุทธเจ้าวันนี้จะไม่รู้ไปเสกสมมาสมโพธิญาณทิดดาวเขาไปยามมานแฟนแดงเป็นสาวน้อยบ้างสาวรุ่นๆเป็นสาวใหญ่บ้างเป็นยญิงที่เตียงแต่งงานแล้วบ้างก็งมีอาการคล้ายกันเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่ามากกว่า <c oughs> เคยเป็นมากเราก็ทาเฉยๆในเมื่อทาเฉยจิตก็ไม่สนใจคิดว่างเฉยจริงๆไม่หวั่นไหวไปตามเขาคิดในใจว่าเราแก่แล้วเราแก่แล้วเราหนีความวุ่นวายมาจากกรุงเทพเรามาอยู่เมืองเล็กๆถ้าเมืองลเล็กๆมีความวุ่นวายมากแล้วก็เข้าป่าต่อไปเํา่มลางคิดจะเพียงจะหนีบรรดาท่านพุทธบริษัท มีวันหนึ่งนำบรรดาญาโยมพุทธบริ ษ, ษ, ษัทจะเิายาพระกรรมฐานขณะที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทเขเริ่มเข้าจดสงบจิตตอนนั้นก็ทําจิตสงบเหมือนกันปรากฏจิตพลัดออกจากร่างกายทันทีได้มันพุ่งลงเลยพุ่งลง ท, งทันทีลงไปไหนไปสนามเพต้นยิ้วมันพุ่งลงเลยวปื๊ดลงทันทีไปถึงป่างยิ้วปางยิ้วในเมืองนรก มือกำลังจะเข้าไปแตะต้น อ, อยู่เวลานักเห็นพระออกจากจุฬามุนีพุ่งพลาดเหมือนกันท่านมาไว้มากถึงก็จับมือก็ชาขึ้นจุฬามุนีไปนี่ระบรรดาท่านพุทบริษัทแม่งเขาแสดงออกแต่จิตไม่ได้ยอมรับ <c oughs> จิตไม่ยอมรับด้วยวาจาก็ไม่พูดเรื่องนั้นด้วยอาการต่างๆก็มาแสดงด้วยกลิ่นคาวของบาปก็แสดงนอาการอย่างนั้นร <c oughs> ะบรรดาท่านทุกท่าน มาคราวนี้กัเหมือนกันตามนิมิตเรื่อความฝันตามนิมิตเรื่อความฝันก็บอกว่าพระท่านคุยเรื่องบาปคุยกับท่านถึงแม่ว่าจะปฏิเสธเขาก็หาทางนําลงนรกเหมือนกันเรื่องนี้เขานํามาเล่าบรรดาสูตรท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทฟัง <c oughs> จะได้ทราบว่าขึ้นชื่อว่าบาปบรรดาท่านพุทธบริษัทถึงแม้ว่าเราจะไม่ทําแต่เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มเขาบอกคนผู้ทําบาป ปิ่นของบาปก็เข้ามาถึงตัวเหมือนกันแต่แค่ปิ่นไม่เป็นไรบรรดาเทพุทธวิเศษทั้งหลายระวังจะลิ้มรสของบาปถ้าลิ้มรสของบาปแม้แต่จิบนิดหน่อยก็ตามตาม้องลงนรกทันทีเรื่องนี้ก็ขอผ่านไปมันเล่าทัเรื่องกา ร, รมุ่งควยต่อเมื่อออกมาจากสถานที่นั้นแน่แล้วก็มีความสงสัยว่าท่านทั้งสองนี่ปินไข่ท่านสวยจริงๆ เป็นผู้ชายสองคนสวยหน้าตาเรียบร้อยมันญาติดีมากก็ถามท่านผู้มีคนที่จับตัวดึงขึ้นมาจากปล่องลงนรกแด้ก็บอกว่าฉันคือพระอินทร์พ่อของเธอก็กราบท่านความจริงพ่อก็ต้องเป็นพ่อ <c oughs> ท่านเป็นพ่ออยู่เสมอจะมีความห่วงใยเป็นปกติไม่ได้ห่างแด้ถามให้ท่านว่าเป็นใครท่านนั้นก็ยิ้ม ท่า น, นเลยตอบว่าผมพอเปลี่ยนตัวเป็นตัวปกติหน่อยเดียวพอแต่งตัวสภาพบุคลากเข้าร่างกายปกติท่านก็จำไม่ได้สแล้วหรือก็เกือบเรียนแล้วบอกจำไม่ได้ถ้าบอกผมก็คือพี่พุทธยังไงเล่าติดตามคุณมานี่มากับคุณพ่อห่วงคุณเพราะเรื่องนี้ถึงม่าอย่าเป็นนิมิตคุณก็จำไว้ว่ามาถึงความจริงมันตรงกับความจริง ก็ขอบคุณท่านอานสองท่านอสองกัระครับพระครณ์เดินสองข้างไปมากที่สุดเวลานั้นก็มีความรู้สึกว่าเรานี่เร็วมากกรรมอาจจะเกือบจะพาลงนรกไปแล้วเรากขอแก้ตัวกรรมที่มีบุญของเราอยู่เมื่อสักครู่นี้เรานอนภาวนาเราตั้งใจใหขึ้นไปเบื้องสูงสุดก็ตั้งใจรวบรวมกําลังใจ แต่บรรดาท่านผู้ฟังท่านหลายจิตแั้ก็หยาบตลอดเวลามันไม่ยอมละเอียดมันหนักมากคล้ายๆกับจิตที่ประกอบด้วยสมาธิเกี่ยวกัฌานโลคีมากกว่าวิปัสนาญาณคือจิตอาจจะเป็นชานสมาบัติได้แต่วิปัสนาญาณน้อยไปหน่อยเพราะตอนก่อนจะภาวนาไม่แต่พิจารณาให้ให้เรียบร้อยเสก่อนคือตัดจะตสินใจไม่ถึงที่สุดจิตก็หยาบนี หนักในชานวิปสนาญาณอ่อนร่างกายไม่สามารถจะขยับตัวได้ก็ใช้กําลังใจถึงที่สดเพื่อนไปเป็นมาสรมรรถะบ้างปรัสนาบ้างตีกันไปตีกันมาพรเดี๋ยวหนึ่งจิตเคลื่อนจากร่างได้ออกมาเป็นกายแต่กายหยาบมากเป็นเลือเป็นหนังตามปกติไม่แผ่วฟาเป็นยับไม่เบาเมื่อสมัยก่อน คาว่าสมัยก่อนสมัยความเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันดีกว่ามากเวลานี้กับหยาบก็มีความรู้สึกท้อใจคิดว่าเราเลยลว่าเราเรนี่กรรมต่างๆแม้จะเป็นเศษของกรรมตามตา ม, ตามเข้ามาสนองและกรรมที่เราไม่ได้ทำแต่ว่าเข้าม า, า, ารักษาหรือเราปฏิเสธก็ยังสามารถทำให้กายหยาบขนาดนี้กายไม่ละเอียดพออย่างนี้เราก็ไม่สามารถจะขึ้นเปนสูงได้ เวลานหนก็มีเสียงกล้องกล้องออกมาจากอากาศบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเธอเธอต้องขึ้นได้แต่ต้องขึ้นบันไดจะลอยขึ้นอย่าสมัยก่อนที่ลอยขึ้นลอยขึ้นไม่ได้วันนี้ยาบมากเวลาัหนก็คิดในใจว่าเราเร็วมากเขาไม่สามารถจะไปเบื้องสูงได้ท่านก็ตอบว่าไปได้ ยังยงแม้วเวลานี้กำลังใจจะหนักเพร่ศสมาธิจะอ่อนเพว่อิภัฒนายานแต่ในกายก่อนเธอก็เคยตัดแล้วว่าสังขารไม่มีความหมายร่างกายของเธอเองไม่มีความหมายร่างกายคนอื่นไม่มีความหมายร่างกายของสัตว์ไม่มีความหมายเธอก็ตัดสินใจละทรัพย์สินมาแล้วทรัพย์สินกองใหญ่ที่ของมีค่ามากมีเพชรนิินดามาก เธอก็ทิ้งมาแล้วเธอไม่สนใจเธอมีสิทธ์ที่จะไปเบื้องบนสูงสุดได้แต่กำลังใจของเธอหนักในการตัดทิ้งโลภความโลกโทสะความโกรธแต่ว่าอ่อนวิปัสสนาญาในการตัดโมหะความหลงก็ไม่เป็นไรไปได้ถ้า ต, ต้องกายยาแบบนี้ต้องขึ้นบันไดว่าเดี๋ยวหนึ่งจะมีบันไดามาพอเสียงท่านพูดจบก็มีบันไดทอดมาแทนี่มันจะเป็นบันไดแก้ว ก็เป็นบันไดอีกบอกปูนบันไดใหญ่มากแล้วก็มีเสียงบอกว่าเธอจงขึ้นไปแล้วก็ลงมาพร้อมกับเปสกาลีถามท่านว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นท่านบอกว่าเธอเวลานี้เธอตัดสินใจว่าเธอจะไปไม่กลับทาบันไปลไม่ได้เพราะว่าระจะไม่ถึงไงของฉันต้องเสร็กก่อน งานตามคําสั่งต้องเสร็จ ง, งานก่อสร้างเสร็จต้องทํางานกีก่ิจธรรมสอนกรรมฐานต่อไปก่อนอีกอกี่ปีให้กําหนดตายแน่นอนไม่ได้แต่จะต่อให้ครั้งละสิบปีก็เป็นว่าในเมื่อไปไม่ได้ก็ยอมรับว่าัยไม่ได้จิตใจก็ยอมรับว่าขึ้นไปแล้วจะลงมาพร้อมกับเปสษการี ก็ยังนึกในใจว่าท่านเปรษการีท่านเป็นวสดาบันตายเมื่อสมัยพระเจ้ า, ยาอย่างทรงพระชนมอยู่เวลานี้สาวกอง์ทัพพระรามครูโคเป็นรโโุ่นพี่องค์นี้ท่านไปนิพพานแล้วหรือยังก็มีเสียงนั้นตอบว่าเปรษการียังไม่ปนิพพานเธอยังอยู่ที่สวรรค์ชั้นโดสิบแต่ว่าเวลานี้ขึ้นไปท่องเที่ยวที่นิพพานแล้วเธอขึ้นไปแล้วจะกลับมาพร้อมกับเปรษการี พวันไดทอดมาก็จะขึ้นบันได เ, เวลานั้นจะมีพระองค์หนึ่งมายืในใกล้ๆเดินคู่กันไปตามนิมิตบันไดท่านพุทธิวัต์ไม่เฉลิไม่เฉเด็ดนิมิตก็เหมือความฝันเป็นการแสดงออกของท่านเราไม่สามารถบังคับได้ตามความรู้สึกว่าพระองค์นั้นคือพระมหากรสท่านเดินวดควบไปกคือว่าคุมไปที่องค์หนึ่งอยู่เบื้องหลังห่างออกไปประมาณทักสองวา นั่นมีความรู้สึกว่าองค์นั้นท่านมหามุคลา เ, เป็นพระนมหามุคลาที่องหนึ่งเดินคิดว่าย่อยๆเดินแล้วตัวก็เบาถึงแม่ร่างกายจะหยาบตัวเบาไม่รู้สึกหน่อยไปเดียวเดียวก็ถึงยอดเมื่อถึงยอดแล้วมุ่งมุ่งไปขนาเห็นพระธนนางโยสวยสดสวยงามมากไปแสงสว่างมากพระอนี้นักปฏิบัติทุกคนก็ทราบแล้วว่าเป็นใคร แล้วกใกล้ๆเชิงบันไดที่ขึ้นไปขวามือปรากฏมีนางฟ้าท่านแหน่งสวยงามมากแพรวพราเป็นได้ยับเสียงพระบอกว่าคนนี้ยังไงล่ที่มีนามว่าเปศ ก, การีหลังจากนั้นก็ขึ้นไปกราบพระกราบเรียนศึกษาวิชาการต่างๆตามที่คนนี้จะศึกษาท่านก็แนะนำตามสมควร <c oughs> แนะนำทังลีลาที่จะพยายามนําคนให้ไปสวรรค์ให้ได้เป็นอย่างต่ำอย่างกลางไปพมทธโลกให้ได้อย่างสูงสุดให้ตัดสินใจบนิพพานแต่เขาจะไปได้จะไม่ได้แก็ตามให้มีความเข้าใจในนิพพานไว้ให้มีความรักนิพพานไว้แม้บอกว่าทุกคนถ้ารักนิพพานทุกคนก็ตั้งใจทำความดีหนึ่งจะพยายามตัดโลภะความโลภสิการให้ทาน สองมื่อยามตัดโทษาความโกรธในการรักษาสิ่งมีเมตานําหน้าฉันตาสามตัดโมหะความหลงในการพิจารณาตามความเป็นจริงเขาค่อยๆทำค่อยๆตายค่อยๆละเทเลตัน้อยแต่ที่สุดก็มีผลใหญ่ก่อนที่จะตายเขาอาจจะเปิดผ้ารหันก่อนแล้วก็พรินิพานถ้ายังไปรินิพานไม่ได้แต่บุญอ่อนเขาข้าวสวรรค์เขาก็มีความสุข ถ้ามีกำลังใจอย่างกลางก็ครัง้งครั้งผมโลกก็มีความสุขต่อต่อมาท่านก็ยำ้ำว่าอย่าลืมนะจารที่ฉันสั่งให้ทำคอยทำตามนั้นได้กดของกรรมของขวายด้กกรรมต่างๆมายตามมาอีกเยอะให้ไปสร้างสานักสอนพระกรมรมฐานที่ท่าลานเพราะคณะสิทิ์ที่นั่นมีกำลังใจสูงมาก ถ้าตังต้งเล่สอนที่ได้คุกคนที่ไม่ใช่สถานที่จะใช้เวลาชำระจิตให้ตัดกีเลสโดยสมบทเจตุลาหารเขาจะค่อยๆตัดกิเลน้อยๆน้อยก็อยา่าพึงหวังว่าจะต้องบังคับว่าทุกคนจะต้องเป็นพระอรหันต์แล้วทุกคนจะต้องเป็นมิโสดาสิกทาคานาคามีแต่ว่าพยายามแนะนําให้เล่ารักษาความดีทีเร็ไปในที่สุดเบญจสวรก็จะช่วยเขาให้พ้นจากความทุก หลังจากนั้นมาท่านก็นแนะนําว่าการสร้างอาคารเนี่ยเป็นกําลังมีความสำคัญให้คนทุกคนที่เข้ามาในวัดมีความสุขตามสมควรหนึ่งมีที่พักสองมีที่ฟังธรรมะสามมีที่บาเป็นกนุศลแล้วประชาชนที่มาเมื่อเกิดความสุขจิตใจก็จะจับเกิดมีบีติความเรื่องใสเกิดขึ้นในรูปของวัดท่านี้พระของวัดเป็นจะเป็นพระวัตรโลกผูด้ดีพระสงฆ์ก็ตาม แในเมื่อจิตก็จับวัดเป็นอารมณ์ก็ตามจับภาพเป็นอารมณ์ก็ตามก็ถึงว่าเป็นอนุสติที่มีความสําคัญเป็นบนใหญ่ <c oughs> หลังจากนั้นที่จะบอกว่าถึงเวลาแล้วนี่จะนั่งบนนี้นานไม่ได้นะต่อไปจงคิดตามนี้ว่าจะมาเที่ยวนำมาได้ในการตัดสินใจจะมาอยู่นำมาไม่ได้วันนี้ที่หนักเกินไปที่ต้องมีร่างกายหยาบต้องขึ้นบันไดเพราะว่าเธอตัดสินใจ ว่าจะเลิกเกิดต่อไปขออยู่ที่นี่ในเชีนจนกว่าจะเป็ น, ปนจุดสุดท้ายว่าจะมาแล้วไม่กลับกดอันนี้จะตัดเธอให้มีความหนักไม่โปร่งไม่แลกแจ่มใสาตามเดิมต่อนนี้ไปก็จงเลิกคิดว่าเราจะมาจริงแหละแต่ว่าถ้าร่างกายหมดชีวิตเมื่อไรเราจะมาที่นั่นให้มันหมดไปตามวรระของมันไม่จะปล่อยให้มันตาย นี่เธอตั้งใจจะปล่อยร่างกายตายนี้ก่อคคงกรรมอันนี้ไม่ถูกเพราท่านแนะนำตามนี้รับนระดาท่านพระดุเรชัดท่านบอกว่าเอ้าไปคุยกับเบสการีได้เพราะเขาบอกเขาเป็นสาวกรุ่นพี่ของเธออายุแก่กว่าเธอสองพันปีเศษ <c oughs> ยังเข้าไปหาท่านเตการีถามว่าจะมีความสุขมากไหม แห้แบอกความสุขที่สุด ข, ของท่านก็คือนิพพานเวลานี้ท่านเป็นนางฟ้าอยู่ท่านดุสิตพ่านบว่าชั้นดุสิต ท, ที่มีความสุขแต่ความสุขจริงไม่ได้มีเลยเพราะยังมีความทราบว่ากัญจาญเป็นเทวดาและเป็นนางฟ้าก็ตามต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะท่านมีความเบื่อในความเกิดเป็นคนเกิดครั้งหลังนี่แค่ยุคสิบเก้าปีท่านก็ต้องตาย เมื่อก่อนจะถึงอายอายุสิบเก้าปีเขาต้องไกอบกิการหนักกิการหนักต้องทํามาหากินเนี่ยชีวธรรมรัตตัวต้องเอาใจชาวบ้านที่บางบางคนก็ไม่มีเหตุไม่มีผลคนทุกคนไม่ใช่มีเหตุมีผลเสมอการถ้าคนใดมีเหตุมีผลเราไปสัมผัสด้วยเราก็มีความสุขแต่คนไม่มีเหตุไม่มีผลก็สร้างความหนักใจยิ่งมีความเบื่อในการที่จะเกิดมนร่างกายต่อไป ร่างกายก่อนนี้มันจะเกิดมันก็เต็มไปด้ความทุกข์อยู่ในคันมันได้ก็ทุกข์หนักออกจากคันมันดาแล้วช่วยตัวเองไม่ได้ก็ทุกข์หนักตอนโตขึ้นมาเพี่งได้เดินได้ก็มีทุกข์พอประกอบกิจการงานได้กับเพื่อนการงานเหนื่อยก็มีทุกข์มากไม่ไมีอายเป็นสุขขณะที่มีร่างกายอยู่ก็มีแต่ความป่วยไขย้ไม่สบายหาความสุขไม่ได้ ความหิวก็เป็นทุกข์ความกระหายก็เป็นทุกข์ต้องทํามาหากินการทํามาหากินต้เนยยากก็เป็นทุกข์ต่อมาแม่ตายแม่ตายเกิด ค, ความเศร้าโศกเสียใจงานทุกอย่างของแม่ที่ทำก็ลงตัวที่ท่านจะเป็นงานสงคนมีอยู่ตัวคนเดียวกันก็เป็นทุกข์ก็ลงความว่าในเมื่อเวสเป็นนางพาพ้นทุกข์จากความเป็นคนแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะดันโดยกลับไปทุกข์ใหม่จะไม่ต้องการต้องการานิพพาน ทุกวันเธอเขาบอกว่าต้องเห็นพระพุทธเจ้าต้องมานิพพานให้เห็นพระพุทธเจ้าและก็เห็นพราอรหันตสาวกถ้าได้เห็นแล้วสองอย่างนี้อารมณ์เป็นสุขไม่งานเธอไม่มีทุกวันต้องมานิพพานก็ถามได้ว่าก็าบอกเขาคุยกันว่านิพพานศูนย์ท่านมายืนยันนิพพานเพื่ออะไรท่านยิ้มยิมแล้วก็ตอบว่าเรื่องของเขาก็เรื่องเขาทิ่จะ เรื่องของเราก็เรื่ยวกับเราติดใจเราจะไปสนใจเรื่องคนอื่นเรื่องของเราคนเดียวก็แล้วก็ทนไม่ไหวแล้วเพียงแค่เราคิดจะพิจารณาตัวเราเองเราก็พิจารณาไม่ทั่ววันหนึ่งวันหนึ่งร่างกายเปลีปล่ยนแปลงไปอะไรไปบ้างมีอะไรสุดสมบ้างมีอะไรเกิดใหม่บ้างโรคอย่างนี้หายไปโรคใหม่เกิดขึ้นร่างกายส่วนนี้หายไปร่างกายใหม่เกิดขึ้นมันเกิดมันดับมันดับมันเกิดเกิดแทนกันมันนี้แค่เลยจะดูแค่นี้ก็ดูไม่หมด ทำไมจะองไปดูคนอื่นเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจงดูว่าความโลภมีไหมสนใจใจของเราความรักระหว่างเพศมีไหมความโกรธมีไหมความหลงมีไหมให้นดูว่าทานการประจักษ์มีความเข้มข้นดีไหมจิตใจติดในราบหรือเปล่าถ้าจิตใจติดในลาบถือยังมีความโลภใช้ไม่ได้ยังมีความแล้วมีความรักระหว่างเพศไหม ยังมีความรักระหว่างเพศแช่ไม่ได้แล้วมีความรักร่างกายเราไหมเห็นร่างกายดีจะทรงตัวต่อไปมีไหมถ้ามีใช้ไม่ได้ก็ลองความแค่ดูกายของเราวันหนึ่งก็ไม่ค่อที่ดูทําไมต้องไปดูกันอื่นเขาจะมีความรู้สึกส้นนิพพานเป็นยังไงเป็เรื่องของเขาเรามีความเข้าใจตามความจริงว่านิพพานมีอยู่เวลานี้ฉันนั่งที่นิพพานก็ท่านบอกว่าเขาคุยแค่นี้นะกลับกันเถอะทัองพากันกลับมาพระโมคคัลลาบะ ขับขมากระกสบขับมาส่งเรื่องเชียวหวนใดอารา บ, บันดาต่พุทธบริษัททั้งหลายเรื่องนี้ก็จบเวลาลิบสามสิบนาทีพอดีจะหมดข อ, ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒน์มภมงคลสมบูร ณ, ณ์ขุนผลจงมีแด บ, บันดาต่พุทธศาส น, นิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี